แค่ฟังเล่นๆไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกฟุ้งสั้นธรรมะไม่ใช่ของเอาไปฟังเล่นๆหรอกฟังแล้วต้องไปทําั่งหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะฟังครูบาอาจารย์สอนนะสอนแล้วเอามาทําทั้งนั้นนะตั้งแต่เจ็ดขวบเรียนจากท่านพ่อรีท่านสอนให้พุโทโธหายใจแล้วก็นับด้วยมีสามัญ น, นะพุโทโธหายใจเข้าพุทออกโธนับหนึ่งพุโทโธนับสอง ไปฟังท่านสอนแนละ้วก็มาทำเอาทำทุกวันทำมาเรื่อยๆมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตั้งแต่วันที่ท่านสอนตั้งแต่ตอนนั้นเลยที่ท่านสอนนะกราบท่านออกมาก็เริ่มดูแลดูทุกวันทุกวันนะดูไม่เลิกหรอกถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะธรรมะไม่ทิ้งเราใจที่มีธรรมะ ม, มีความสุขนะ เนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วเลยเคยทุกข์มากๆก็เหลือน้อยน้อยเคยทุกข์นานนก็สั้นลงแต่เดิมนึกว่ากูดีกูดีหัดไปหัดมานะรู้สึกกูเลวกว่าที่คิดไปเยอะเลยมันเห็นธาตุแท้ของตัวเองนะมันลอกเปลือกของตัวเองแต่ละคนก็สร้างหน้า ก, ากากขึ้นมาใส่เอาไว้สวยงาม เหมือนหน้ากากฟาโร่หน้ากากทองนะใส่ไว้ปิดบังมัมมี่ไว้ข้างใน <c oughs> มัมมี่แล้วค่อยๆลอกหน้ากากออกมานะหน้า ก, ากากของเราเองลอกออกมาดูซิตัวจริงแท้ๆเป็นยังไงเวลาภาวนาบางคนไปกลบเกลื่อนตัวจริงไว้ภาวนาแล้วไปกำหนดจิตให้นิ่งเลยนะไม่ให้เคลื่อนไหวเลยรู้สึกดีตลอดเลยฝึกยังไรก็ดีตลอดเลย นี่เห็นแต่นักกากทองคําไม่เห็นมัมมี่ค่อยๆลอกเปลือกตัวเองนะอย่าประคองใจให้นิ่งแต่ว่ามีสติตามรู้มันจิตมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวเรารู้จิตมันสุขมันทุกเรารู้จิตมันดีมันชั่วเรารู้รู้ลงไปไม่นานก็เข้าใจมันจะยากอะไรนี่หลวงพ่อบอกมันไม่ยากนะบางคนมันก็ว่าเราขี้โมอีก ไม่รู้จะเทศยังไงแล้วเรื่องมั่นมะก็มันไม่ยากจริงๆอ่ะถ้าทำให้ถูกหลักมันยากอะไรนะถ้าทำให้ถูกหลักก็ยากอย่างจิตไม่สงบทำให้สงบนะทำยากนะสงบแล้วต้องรักษาไว้ตลอดเวลาทำยากวิปัสสนาแท้ๆจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบเห็นว่าตัวที่ไม่สงบนะ เป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมมาชั่วครั้งชั่วคราวค่อยฝึกค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่อยจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตดีจิตเป็นบุญเป็นกุศลรู้ทันรู้ทันเรื่อยๆรืรู้ทันวันหนึ่งก็เห็นมันไม่ใช่เราสักอันเดียวตัวบุญตัวกุศลก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่ใช่ตัวเรา ฝึกเงินเห็นมันไม่มีเราที่จริงมันไม่มีเราอยู่แล้วนะแต่สำคัญผิดว่ามีเราเพรนั้นไม่ใช่ฝึกเพื่อละตัวเรานะบางคนบอกฝึกเพื่อละอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนไม่มีมันไม่มีมาแต่แรกแล้วไม่ได้ฝึกเพื่อละอัตตาตัวตนแต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่มีอัตตาตัวตนการรู้ความจริงการเห็นความจริงนั่นแหละตัวสัมมติิ ยังไม่ได้เรื่องยากอะไรของจริงมันก็ทนโทษอยู่แล้วนะความสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะะความสุขสั่งมันได้ไหมให้สุขตลอดเวลาสั่งได้ไหมมันก็ไม่ได้กนะิเลส่ะห้ามมันไม่ให้เกิดได้ไหมมันจะเกิดอะมันมีเหตุมันก็เกิดนอะห้ามมันไม่ได้นะเนี่ยความจริงของมันเป็นอย่างนี้ความจริงของทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะขันทั้งหลายทั้งปวงความปรุงแตง่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยง มันทนอยู่ในภาวะอันแดอนหนึ่งไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรเห็นว่าเป็นตนหรอกเป็นตนหมายถึงว่าเป็นอัตตาตัวตนถาวรก็ของทนอยู่ไม่ได้มันจะเป็นตัวตนถาวรได้ไงเคยได้ยินใช่ไหมพระพุทธเจ้าถามพระปัญจวัคคีย์บอกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นตนหรือไม่บอกไม่ควรพระเจ้าข่าไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาเนี่ยพอฟังภาษาไทยนะมันไม่สื่อเท่าไหร่ทำไมสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราชินกับคําว่าทุกข์ในภาษาไทยทุกข์คือความอะไรเจ็บปวดเพลินหรืออะไรเงี้ยความจริงทุกข์ตัวนี้แปลว่าความทนไม่ได้ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นทนอยู่ไม่ได้ใช่ไหมถึงวันหนึ่งมันแตกสลายสิ่งใดไม่สิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้อะไม่ใช่ตัวตนถาวรนึกออกไหมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวตนถาวรเพราะมันทนอยู่ไม่ได้กายนี้ก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะนั้นกายไม่ใช่อัตตาตัวตนถาวรจิตเองก็เกิดดับไปเรื่อยเเพราะนั้นจิตไม่ใช่อัตตาตัวตนถาวรนั้นคําว่าอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะ คำว่าอนัตตาจริงๆคือไม่มีตัวตนถาวรไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะในขันนี้ไม่มีสิ่งที่ใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นทนอยู่ไม่ได้สิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนถาวรนี่ถ้าจะแปลให้ตรงสภาวะนะไม่มีตัวตนถาวรพอเราลากความเห็นผิดว่าไม่มีตัวตนถาวรก็เป็นพระโสดาบันไดนะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะ มีแต่ไม่ถาวรพร้อมกันแล้วต่อไปตรวจกันบ้านเชิญรัศการครับตอนนี้จะเรียนถามหลวงพ่อเรื่องหนึ่งทังา ง, งคือว่าตอนนี้ได้ได้ทดลองทำทรูปแบบอันหนึ่งครับคือสวดอิติปิโสเท่าเท่ากับอายุบวกหนึ่ง ว, ว่าอายุเท่ า, า, าไหร่อะ <laughs> ว่าสวดยี่สิบแปบทเองเหรอถ้า <c oughs> คำว่าเครื่องอยู่นี่นะหมายถึงอยู่ทั้งวันอยู่ทั้งคืนนะมนไม่ใช่อยู่28บดบทนะเป็นรูปแบบที่ทดลองทําดูแล้วก็พบว่ามันมั น, ม, นมันมีความขัดแย้งกันอยู่นิดนึงก็คือว่ามันรู้สึกเป็นเป็นภาระครับไม่ <c oughs> ไม่ชอบเป็นภาระเอาอันอื่นแต่มันมันรู้สึกมันเห็นเห็นสติเห็นเห็นจิตลงไปคิดได้ไ ด, ได้ได้บ่อยเหมื น, นันแล้วถ้างั้นต้องยอมเป็นภาระ เพราะสิ่งที่เราต้องให้ได้มานะสติงั้นจะยากจะลําบากยังไงแล้วถ้าทำแล้วสติเกิดตองเอานะไปสวดแต่ยาวแค่ยี่สิบดนะสวดน้อยไปสวดไปทั้งวันเ่ยสวดว่างๆก็สวดไปด้นะของหลวงพ่อก็สวดนะแต่ก่อนหลวงพ่อสวดพุดโ ท, ทโธสุสุตโธกรุณามหันโนโวพระพุทธเจ้ามีพระกรุณาดังฮ่วงมหันนกทําไมทําไมชอบบทนี้ก็ไม่รู้เมื่อก่อนใจมัน กุณานะอยากจะแบกสัตว์โลกเหมือนกันนะตอนหลังไม่เอาแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามีบางอย่างขาดเกินเกินอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าจะดูได้ยังไงว่าอะไรขาดอะไรเกินรู้ลงไปนะรู้ทุกอย่างที่ปรากฏไม่ต้องวิเคราะมันรู้สึกขาดรู้สึกเกินก็แค่รู้สึกพอรู้สึกขาดรู้สึกเกินแล้วไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจนะรู้ลงปัจจุบันไป ลงล้รู้สึกไหมหลงแล้ว <c oughs> รู้สึกตัวอะไรได้นะรู้สึกรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปจะบริกรรมช่วยก็ได้นะแต่อิทิพิโสมันยาวก็เอาพุทโธธรมโมสังโฆอะไรก็สั้นหน่อยเพ่จะดูสภาวะได้คล่องแคล่วนะกราบนว mm ัตสการหลวงพ่อครับก็เมื่อวานเข้ามาปฏิบัติวันแรกเนี่ยก็เข้ามาปุ๊บก็พยายามสร้างมาดเป็นนักปฏิบัติ นะครับก็พอเริ่มรู้ตัวปุ๊บล้วก็พยายามรู้สึกตัวแล้วก็ทําให้เป็นปก ต, ติแล้วก็พยายามปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็รู้บ้างแล้วก็หลงบ้างฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็พอสักช่วงบ่ายๆก็เริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจนะครับก็พอตกค่ําก็ฟังเทปของอฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่าจะพยายาม รู้สึกวนกระไว้วใจแล้วมันนอนไม่หลับก็เริ่มเป็นทุกข์แต่ก็รู้รู้ไปนะครับก็ก็นั่นคือของเมื่อวานนะครับของวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ า, าใจมันมันพูดได้เองนะครับมีอกุศลเกิดขึ้นก็ก็รู้เกิดได้เองไหมไหนนะครับมันเกิดเองไหมเกิดเองครับโอ้ดูไปครับเราดูก็เพื่อให้เห็นความจริงนะี่แหละไม่มีอะไรที่เราบังคับได้นะครับนะ ก็แต่รู้สึกว่าใจตัวเองยังไม่ค่อยมีกําลังหรือเปล่าฮะถูกก็ทําในรูปแบบนะเพิ่มกําลังเช่นเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธอะไรเงี้ยหรหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปจิตก็มีกําลังหรือไปเดินจงกรมนะเห้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกเดินสม่ําเสมอจิตก็มีกําลังนะความสม่ําเสมอในการปฏิบัติเนี่ยทำให้จิตมีกําลังถ้าทําบ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยนะจิตก็หมดแรงนะ ทำสม่ำเสมอไปครับหนีไปไหนคนหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่วัดพอจะส่งกันบ้านหนีไปเลยรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักอะคะที่จิตเพราะว่ามันตื่นเต้นเออนะดูมันไปมันมีน้ำหนักเลยห็นไม่น้ำหนักไม่คงที่เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเห็นไหมไม่เที่ยงดูไปเห็นไหมมันมีน้ำหนักเองเราไม่ได้เจตนาเห็นหคะ่ะนี่ยเฝ้าดูไปนะจนเห็นเลยจิตนั้นมันทํางานเอง นะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำเองไปดูเรื่อยๆไปตายวันนี้มาอยู่วัดเหรอค่ะเมื่ อ, อวานรู้สึกว่าจิตจะจมไปในอารมณ์เนี่ยเยอะแล้วก็ตายรู้สึกไหมไม่ท้องเมื่อวานนะรู้สึกไหมช่วงนี้จิตเราไม่เหมือนเดิมตายรู้สึกว่าวันนี้จะเบาขึ้นในการรู้ความคิดนี่แหละมันพัฒนาขึ้นแล้วเรารู้สบายๆรู้อย่างโปร่งโล่งเบาจิตที่เป็นกุศลเบานะ ถ้าจิตหนักๆนี่เป็นอกุศลแต่ว่าเราไม่แกล้งประคองให้เบาถ้าแกล้งประคองให้เบาก็เป็นโลภะเบาๆได้ไม่ใช่เป็นโมหะก็ดูเบาๆแต่รู้สึกจะรู้สึกความทุกข์ได้ง่ายกว่าความสุขนะคะความสุขมันเหมือนจะเราจะเพลินไปเรืความสุขเนี่ยอันตรายนะพวกเทวดาอะไภาวนายากมันมีนันทิราคะความเผลอเพลิน บอกความทุกข์เนี่ยจิตมันเมื่อวานแต่จะรู้สึกว่ามันถูกบีบมากแล้วบางครั้งมันจะบีบเหมือนมันบีบไปถึงหัวใจด้วย ม, มาทางร่างกายด้วยนะคะแต่ก็เมื่อวานรู้สึกจะหนักกว่าวันนีค้คถ้าตอนไหนดูจิตไม่ไหวดูกายนะเห็นกายหายใจเห็นกายยืนเดินนั่งนอนนะดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้แต่ไหนมีเรี่ยวมีแรง เ, เราก็เห็นจิตมันทํางานไปแต่ไหนดูจิตไม่รู้เรื่องเราทํางานอยู่กับโลกมันเหนื่อยะวันไหนมันเหนื่อยมีชุลมุนมากดูไม่รู้เรื่องเราก็ดูกาย พอนะจิดูสักพักมัมีแรงขึ้นมาก็กลับมาดูจิตได้อฟ้าแบบนี้นี่มีโมหะนิดนึงเราก็กดกดไว้ด้วยไหมคะหลวงพ่อใช่แต่ดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไหมรู้สึกจิตเราเปลี่ยนไปหมดแล้วนะเนี่เยเรียนไปนะมันพัฒนานะมันเปลี่ยนจริงๆอ่ะ <laughs> จะมาบอกว่าเรียนแล้วเร็วลงเร็วลงมันก็ไม่จริงรู้สึกไหมในพูดออกไม้ที่จะได้เอาไปลงซีดี รู้สึกค่ะโถพยานเรามีเป็นพันเป็นหมื่นคนนะภาวนาแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะ่ะบางทีเวลาที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตก็จะเห็นว่าขันแย่ อ, อไปใ ช, ใช่ค่ะแล้วที่นี้ต้องฟยังเห็นว่าจิตผู้รู้อ่ะเป็นตัวเองค่ะ แ, แล้วมันก็เพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่ ท, ทีนี้ต้องคิดนํำไหมคะว่าให้รู้ไ ป, ไไปเลยแต่ถ้าช่วงไหนจิตมันไปรู้ตัวแล้วทื่อๆไม่เดินปัญญาเนี่ยช่วยการคิตนํานิดหน่อยได้เราอย่าคิดนําตอนที่จิตมันไม่เดินปัญญาแต่ถ้าจิตมันยังเดินปัญญามันยังเห็นผู้รู้เกิดแล้วก็ดับไปบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ ย, ย, ยังไม่จําเป็นของไฟเห็นผู้รู้เที่ยงเขาอย่างอื่นเกิดเราก็ผู้รู้อยู่พวกผู้รู้เที่ยงเนี่ยพวกทําสมาธิมาก่อน ตั้งแต่ชาติปางก่อนบางทีทําสมาธิมาจะมีผู้รู้เที่ยงแล้วทำไรอะคะทำไงสังเกตไหมตอนนี้ยผู้รู้หายเที่ยงไหมล่ะตอนที่จงใจสังเกตผู้รู้เที่ยงใช่ไหมพอเผลอผู้รู้กลายเป็นผู้หลงไปแล้วผู้รู้ไม่เที่ยงหรอกงั้นหลงเรารู้หลงเรารู้นี่นะเป็นวิธีฆาตกรรมตัวผู้รู้ดีที่สุดเลย หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปจะเห็นเลยเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้คิดเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้หลงเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้เพ่งไหมผู้รู้ไม่เที่ยงนะดู อ, อย่างนี้นะออาต่อไปนะเราจะแบ่งโซนกั น, นร้อยหกสิบแปดกราบนวัตการหลวงพ่อครับว่าเต็ครับเป็นลูกศิษย์ทางซีดีมาก่อนครับอืม้มวันนี้ตั้งใจจะมากราบขอเป็นศิษย์จริงๆ ไม่จำเป็นนะหลวงพ่อไม่เคยลงทะเบียนลูกศิษย์เลยครับก็เริ่มดูจิตมาได้สักพักหนึ่งครับแรกๆที่ดูก็พอรู้สึกตัวก็จะภากไว้เราโลภนะเอ๊ะหลงอะไรเงี้ยมันใหม่ๆเป็นแล้วก็ดูไปเรื่อยๆก็เงียบเงียบเงียบขึ้นก็แค่รู้สึกเฉยๆแต่ไม่ได้ภาคอะไรต่อครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ดูทีวี ไปเจอกับคนที่แบบเราเราเราเกลียดครับอืพอรู้สึกเกลียดอย่างรุนแรงปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจิตมันถอยไปข้างหลังนะครับอืมมาดูมาดูมาดูตัวเราที่แบบที่เรารู้สึกรุนแรงนั่นนะครับแล้วมันก็จะเหมือนดูเฉยนะๆจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูนะแต่ถ้ามันถอนอย่างเนี้ยเราไม่ประคองนะเราไม่รักษาตัวที่ถอนไว้นะถ้ารักษาเดี๋ยวติดสมถะอีกแบบ ก็พอรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีแบบช่วงว่างนิดหนึ่งอะฮะว่างๆอยู่หน่อยนึงใช่แล้วก็วันดีคืนดีก็ตอนนอนหลับนะครับนอนหลับอยู่ดีๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรมันจิตมันตั้งขึ้นมาครับเอออมันรู้สึกเองครับเคยรู้สึกครั้งหนึ่งนี่แหละเราฝึกในชีวิตประจําวันอย่างนี้แหละอถึงเวลานอนนะมันตื่นขึ้นมาได้เองเลยนะรู้สึกว่า ตัวเราหลับอยู่อะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมันรู้สึกตัวครับ <c oughs> ใช่ร่างกายส่วนร่างกายนะร่างกายนอน<ม>สั่งให้มันเคลื่อนไหวไม่ได้ด้วยแต่ <c oughs> จิตนะมันแยกออกมาเป็นคนดูนะแล้วค่อยฝึกไป เ, <c oughs> เรื่อยแล้วจะเห็นในร่างกายไม่ใช่เรานะแล้วต่อไปก็ดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เรากุศลอกุศ ล, ศลก็ไม่ใช่เราตัวจิตที่ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวก็ตั้งเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ตั้งเดี๋ยวก็หายไม่เที่ยงเหมือนกัน อย่างตอนนี้ตัวที่ตั้งหายไปนึกออกไหมไปไปคิดนั้นจริงๆแล้วมันเป็นสภาวะที่เกิดดับทั้งหมดเลยนะได้เฝ้ารู้ไปเรื่อยนะดีแล้วล่ะครับผมห้าบหกาไม่จบเรืก็พอดีมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งครับสมควรถามหรือเปล่าแล้วแต่หลวงพ่อจะกระโดนาถามได้นะแต่หลวงพ่อจะตอบหรือเปล่าแล้วแต่แล้วแต่หลวงพ่อครับก็ ก็ฟังฟังอยู่ก็เคยได้ยินมาว่าพระอาราหันต์เนี่ยตัดจากความอยากความกิเลส ท, ทั้งปวงครับก็สงสัยว่าหิวน้ำไม่อยากดื่มน้ําอ่ะเห้อไม่หิวน้ําไม่ใช่กิเลสนะ <c oughs> และ้วอยากอยากดื่มน้ํามีไหมฮะอยา ก, ยากดื่มน้ำกระหายน้ํามี <c oughs> นะ <c oughs> ต้องการดื่มน้มํามีแต่อยากไม่มี <c oughs> หลวงพ่อเขยกตัวอย่างให้นะระหว่างหิวกับตะกระไม่เหมือนกันใช่ไหม ตะกลายเป็นกิเลสนะหิวเนี่ยเป็ น, นกลไกตามธรรมชาติระหว่างง่วงนอนกับขี้เกียจเนี่ยไม่เหมือนกันขี้เกียจเป็นกิเลสง่วงนอนไม่ใช่กิเลสนะเพราะนั้นพระอราหันต์นอนได้ไหมนอนได้ไม่ใช่กิเลสนะคนละเรื่องกันมันเป็นความต้องการทางกายกับความต้องการทางใจพระอรหันต์เนี่ยหมดความต้องการทางใจความต้องการทางกายยังมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดานะมครับผมไม่ใช่หุ่นยนต์นะ อ้าวห้าสิบหกอยู่ข้างหลังน้รสการครับหลวงพ่อก็ตามรู้ตามดูจิตมาประมาณสองอาทิตย์นะครับผมก็บางวันก็เห็นว่าเห็นความคิดของตัวเองนะครับบ่อยมากครับผมแต่บางวันก็เหมือนทาอะไรไม่เป็นเลยครับธรรมดาครับผมผมต้องมีจ์เขเกียตเราเรว่าใจเราไม่เหมือนเดิมครับใจมันโปร่งร่งเบาขึ้นมันรู้สึกไหมครับ ใจมันรู้สึกตัวได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้สึกไหมครับนึกออกอยังว่าแต่ก่อนที่ภาวนาไม่เป็นเนี่ยใจมันฝันทั้งวันทั้งคืนครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับหลดูออกแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละใจมันเริ่มตื่นแล้วน ะ, ค, ะครับเมื่อใจมันตื่นขึ้นมานะร่างกายเคลือ่อนไหวสติไประลึกรู้ถ้าใจมันสบายๆเป็นคนดูสบายๆมิ้วเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเริ่มเห็นไหมว่าร่างกายไม่ใช่เรายังยังครับรู้สึกไหมร่างกายกับจิตเนี่ยคนละส่วนกัน ตัวนี้เห็นหรือยังรู้สึกเปล่าว่าความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยคนละอันกันครับผมเห็นไหมว่าความโกรธกับจิตก็คนละอันกันครับผมเ น, นี่ยขันมันเริ่มแยกแล้วนะครับนี่ฝึกสองอาทิตย์นะแยกเริ่มแยกขันแล้วเห็นไหมครับแล้วผมต้องมีวิหารธรรมหรือเปล่าครับหลวงพ่อ <c oughs> ก็ดูจิตไปดูจิตได้ชัดนะครับนะดูกายยังไม่ทถ น, นัดดูจิตไปก่อนสุดท้ายมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะไม่ใช่รู้อันเดียวครับผมเบอสี่สิบหนึ่ง สองอาทิตย like ์ฝึกได้อย่างนี้นะใครอีกชาบ้างมีไหมกาบดําสกาหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนล่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ปีเสร็จแล้วค่ะแล้วเพิ่งส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกนลค่ะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตออกมะเห็นเจ้าค่ะนะก็ดีแล้วล่ะตามรู้ตามดูไปอย่างนั้นแหละเราต้อง ทำอะไรเพิ่มเติมนะคะหลวงพเคลื่อนไหวนะร่างกายเคลื่อนไหวเคยรู้สึกนะแล้วจิตมันไหวมันรู้สึกเองแหละนะเอากายมาช่วยบ้างตัวจิตรวดไปเดี๋ยวหมกมุ่นดูกายบ้างเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าร่างกายมันอ้าปากนะรู้สึกเรื่อยๆไปไม่มีเราหรอกเจ้ะเบอร์เจ็ดส คือเขาบอกว่าเมื่อหก เ, เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเขามาการาบหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติแล้วคราวนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแบบแน่นๆนะคะ่ะ<อ>แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกสบายขึ้นแล้วหลวงพ่อมีคําแนะนําอะไรป่ะแน่นๆเพราะว่าจงใจที่จะปฏิบัตินะถ้าเราถัดแรกๆมันก็แน่นอย่างนี้แพอฝึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อๆมันก็คลายออกแต่ต่อไปก็ค่อยรู้สึกร่างกายไปได้่อร่างกายเราขยับขยเรื่อนเราก็ดูเหมือนเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวไป จิตใจมันขยับไปเยื่นเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกเอาเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้นี่เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขก็ชั่วคราวนะมาแล้วก็หายไปความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวมาแล้วก็หายไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานะถึงจุดหนึ่งก็หายไปหมดนะเนี่ยมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวร น, นะอย่างความสุขความทุกข์ความกโกรธอะไรเงี้ย เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเนี่ยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเ น, นี่ยครยดูอย่างนี้เลยที่เขาฝึก อ, อยู่ใช้ได้แล้วล่ะจิตเริ่มตื่นแล้วเดี๋ยวนี้ฝรั่งเรียนเยอะนเนี่ยเขาต้องมีคนแปลประจำํำยังดีแต่ก่อนมีจีนมาด้วยนะคนจีนแล้วมีพระองหนึ่งท่านเป็นคนแปลเอาเบอร์หกสิบ จะเรียนถามหลวงพ่อนะครับพระเอิญเมื่อสองเดือนที่แล้วไปนั่งวิปัสสนามากลับพอกลับมาแล้วรู้สึกว่าจิตมันตื่นนอนไม่หลับครับอก็ดีที่มีบุญนะครับมันแต่มันหลับหลับตื่นตลอดเลยครับแลสติมันแรงสติมันแรงไปสมาธิมันอ่อนมันก็จะตื่นตลอดเวลาควบคุมไม่อยู่ครับนะไม่ทราบว่าจะต้องที่ไปฝึกมาไม่รู้ว่าสองเดือนที่ผ่านมามันฝึกแล้วมันถูกหรือว่า ควรจะเปลี่ยนวิธีฝึกเพราะว่าได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาแล้วครับอถ้าฟังไปแล้วฝึกก็ไม่เป็นไรหรอกนะฝึกอะไรก็ทําได้ถ้ารู้หลักนะนี่ไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งก็แล้วกันนะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างตอนเนี้ใจลอยทราบไหมใจไหลไปคิดนะครับ <c oughs> จิตขณะนี้เป็นยังไงบอกหลวงพ่อสิมันงง ง, งงมันเลยหรอรู้สึกไหมว่ากดอยู่รู้สึกหน่อยครับ <c oughs> ตอนนะที่เพง่งครับอเราเพ่งไว้นะ ตเ น, นี้ยต้องเลิกซะไม่เพง่งปล่อยให้กายเคลื่อนไหวปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวตามธรรมชาติอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมมันฟังแล้วก็คิดมันฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆนะถ้าจิตไปฟังแล้วก็รู้จิตไปคิดแล้วก็รู้อย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าดูจิตไม่ออกดูกายไวนะ้เมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมรูร้นั่นแหละของคุณดูกายได้ชัดกว่าจิตนะคุณดูกายไว้ก่อน ให้ดูกายใช่ใช่เพราะคุณไปทําสมาธิมาไป<ช>ทําสมาธิมานะจิตมันจะนิ่งไม่ค่อยมีอะไรให้ดูละคุณก็ดูกายไว้ mm hmm. เห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นครับนะ่ะดูอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยดูจนเห็นมันเป็นคนอื่นนะ่ะนะครับในนี้มีผีอยู่ตัวหนึ่งสิงอยู่ร่างกายนี่นเป็นของค น, นอื่นนะภาวนานะไม่ใช่ว่าต้องดูจิตอย่างเดียวนะบางคนก็ดูกายบางคนก็ดูเวทนาแต่ละคนไม่เหมือนกัน เบอร์ร้อยแปดสิบห้ากับนำ้ำมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ, อสองเดือนเจ้าค่ะส่งกันบ้านก็เห็นถึงการความปรุงแต่งของจิตนะคะพอจิตไปกระทบปั๊บก็จะเห็น พอตาไปกระทบก็จะเห็นว่าจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เห็นความรู้สึกว่าเห็นตัวหนึ่งมันขาดไปแล้วตัวหนึ่งก็ผล ข, ขึ้นมาชัดเจนมากขึ้ น, น, น, นะคะ่ะค่ะแล้วก็เห็นถึงความจงใจที่จะไปดูให้เห็นความเป็นกลางนะคะค่ะจะ ทั่วไปก็คิดว่าดีขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ว่าตอนนี้คือเห็นว่าตัวเองเริ่มมีพรมิหารสีกับคนอื่นมากขึ้นนะคะก็เริ่มเป็นทุกข์กับคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเป็นทุกข์กับเขาอ่ะเพราะว่าอยากจะช่วยเขาแล้วไม่ใช่พรมิหารลพรมวิหารต้องมีอุเบกขาด้วยนะมันยังไม่ค่อยมีเมตตานะเมตตาแต่เมตตาเราก็ต้องมีสติรู้ทันถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะมันจะเปลี่ยนเป็นราคะ กรุณานะเห็นคนอื่นลําบากเราก็ต้องมีสติรู้ทันจิตตัวเองไว้นะถ้าไม่รู้ทันมันจะเปลี่ยนเป็นโทสะกลุ้มใจมู้ดีตานะเห็นเขาดีก็ดีใจเขานั่นดีใจดีใจไปเผลอๆไปนิดเดียวนะอิดฉาไปเลยมู้ิตายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันเป็นธรรมชาติส่วนนี้ที่ว่ากรุณานั่นไม่ใช่กรุณาแล้วมันเป็นโทสะแล้วอ่านเบอร์ยี่สิบแป นี่ไม่เคยส่งกันบ้านก็ภาวนาดีได้กลับหลวงพ่อคะ่ะวันนี้จะขอความเมตตาหลวงพ่อให้เมตตาคุณแม่นะคะคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆนะคะาเคือ<ง>คุณแม่ไม่เคยส่งกันบ้านแต่ว่าคุณแม่ฟังซีดีหลวงพ่อมาระยะหนึ่งแล้วเวลานั่งรถไปได้วยกันจะบอกคุณแม่ว่าเนี่ยรู้ตัวไหมคุณแม่บอกรู้รู้แต่เราไม่รู้ว่าเขารู้จริงหรือเปล่ารู้สิรู้ <laughs> <laughs> แล้วคุณแม่เห็นไหมใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่ ดูออกไหมใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันหใช่ค่ะนะรู้สึกไหมวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเช้าสายใบเย็นใจเราไม่คงที่นะรู้สึกไหมลูกเราเนี่ยแต่ละวันก็น่ารักไม่เท่ากันนะตอนนี้แม่ไม่กล้าพูดแล้วเป็นความจริงนะนี่ยมคอยดูใจของเราเองวัดใจตัวเองไปเลยนะวัดใจของเราเองใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจกังวลก็รู้นะใจสดชื่นขึ้นมาก็รู้ เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูบ่อยๆออถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวจนะทั่งชีวิตนี้ก็ชั่วคราวถ้าเราฝึกไปจนกระทั่งใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนี่นะความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนะให้ฝึกนะที่ยอมฝึกอยู่ใช้ได้อยู่ <ขอ S 1> ส่วนค <ขอ S 1> ุณลูกหนะ้าเพ่งให้น้อยๆนะ คุณแม่เพ่งน้อยกว่าคุณแม่ภาวนาไม่ค่อยเป็นในเป็นธรรมชาติภาวนาอย่างเป็นธรรมชาตินั่นดีที่สุดเลยนะคุณหลวงพ่อหมายถึงหนูเพ่งตอนนี้หรือว่าตอนนี้ตอนนี้แต่ว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้ถือว่าเพ่งน้อยลงเลยยังน้อยลงนะน้อยลงตอนนี้มันยังมีเพ่งอยู่หรู้สึกไหมตอนมีกดมันกดเอาไว้เพราะว่าตื่นเต้นคุณแม่ยังไม่ตื่นเต้นเท่าเลยเห็นไหมคุณแม่ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ไม่กดนคุณแม่ก็จะเหมือนคุณลูกก็กดไหม หลวงพ่อคะคุณแม่ควรทํากรรมฐานอะไรที่เป็นเหมาะกับจริตอะคะคุณแม่ดูจิตได้น ะ, น ะ, ะรู้จิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรือ่อยเรืเพราะว่าเป็นคนที่งเบาอยู่แล้ว<ม>เบาบางอยู่แล้วดูง่ายเบอร์หนึ้อยเกสิอยู่ข้างหลังนมำสกาดหลวงพ่อครับฟังซีดีมาพักหนึ่งอะครับอยากจะถามว่าผมปฏิบัติเป็นไงบ้างครับ เอออย่าไปถามที่อื่นนะแบบเนี้ยเดี๋ยวทั้งเจ็กหัวเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นนะนะมันเปลี่ยนยังไงมันดีบ้างไม่ดีบ้างถูกเมื่อก่อนดีตลอดเลยเมื่อก่อนก็ไม่ดีเราเคยดูไปนะผมควรจะฮะผมควรจะดูอะไรดีครับดูกายได้ก็ดูดูจิตได้ก็ดูทุกคน่ต้องดูทั้งสองอันเลยไม่ได้ดูอันเดียวหรอกนะ เวลาจิตแอบไปคิดรู้ทันไหมบางครังคร้ง <N> นะถ้าจิตแอบไปคิดรู้ได้ก็ดูไปจิตหลงไปคิดก็รู้ทันจิตโกรธรู้ไหมรูร้โกรธเนี้ยดูง่ายนะถ้าจิตโกรธขึ้นมาก็รู้ตอนไหนดูจิตได้ก็ดูจิตไปตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูร่างกายเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆใจเราเป็นแค่คนดูนะดูร่างกายนี้หายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจดูอย่างนี้บ่อยๆนะเราะว่า เดิมมันก็ทําสมาธิมันก็นิ่งมาถ้านิ่งๆอย่างเนี้ยดูกายง่ายกว่าถ้านะ <Okay. S 1> ดูจิตแล้วมันจะนิ่งกลายเป็นจ้องจิตเพ่งจิตมันจะนิ่งๆไปเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นครับนะเนี่ยดูกายนะดูไปดูกายบาย่อยๆแล้วมันจะเห็นจิตชัดเบอร์19คือช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับปรงุงอะค่ะปรุงดีบ้างปรุงลายบ้าง แล้วก็ยังสำคัญตนผิดอยู่อะค่ะแล้วก็พอปรุงเสร็จก็จะรู้สึกไม่ตั้งมั่นค่ะแล้วก็หลงตามมามสังเกตใจที่มันไม่ค่อยชอบอะนะดูออกไหมเนี่ยคอยรู้ไปเลยเวลาสภาวะางี้เกิดขึ้นใจเราไม่ชอบรู้ทันที่ใจไม่ชอบนะรู้ทันจิตที่ยินดีจิตที่ยินร้ายรู้บ่อยๆแต่ไปจิตมันจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่บังคับให้เป็นกลางนะแต่ว่าอย่างสภาวะฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอย่งนใจไม่ชอบพอไม่ชอบรู้รู้ที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่ไปดูว่าเมื่อไหร่จะหายฟุ้งซ่านนะให้ดูใจที่ไม่เป็นกลางบ่อยๆนะไปดูตัวนี้ <c oughs> เนี่ยมันจะพัฒนาได้ขอบคุณค่ะเอ67หกสิบการนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูดู จิตแล้วก็สลับกับดูกายมาพักนึงแล้วแต่ว่าคือก่อนหน้าเนี่ยค่ะความรู้สึกที่มันรู้ถึงจิตเราเนี่ยมันหนักแน่นกว่าแต่ว่าตอนนี้ที่ทําเหมือนมันความรู้สึกมันเบาขึ้นแล้วมันก็เหมือนลอยๆ อ, อะค่ะนะบริกรรมไหมได้ไหมพุโทโธหรอพุโทโธก็ได้หรือคาอะไรก็ได้นะที่ใจมันชอบอะพุโทโธพุโทโธพุทโธก็ได้แล้วใจหนีไปคิดรู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันอย่างนี้บ่อยจิตจะมีกําลังตอนนี้ขาดสมาธิ ชิตไม่ตั้งมั่นนะแล้วหนูต้องมีปรับปรุงอะไรบ้างนี่ไงะะเรามีพิหารธรรมไว้อันหนึ่งจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับอะไรก็ได้นะแล้วใจเราขยับเยอะเรารู้ทันไปเรื่อยมันจะมีกําลังขึ้นมาของหนูตอนนี้ขาดสมาธิใจไม่มีแรงเราคืออย่างตอนนี้หนูก็มีสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนี่หนูต้องนั่งสมาธิเพิ่มมากขึ้นหรือว่าขาหรือว่าก็พยายามนั่งไปรู้สึกรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะ นั่งไปพุโทโธไปจิตหนีไม่คิดแล้รู้จิตกังวลขึ้นมารู้จิตหงุดหงิดรู้จิตฟุ้งซ่านรู้พุโทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตไปทั้งตอนที่นั่งอยู่แล้วก็ตอนที่อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ เ, เอาอยู่กับพุโทโธไปได้สบายถ้าไม่ชอบพุโทโธก็เอาอย่างอื่นก็ตอนนี้หนูก็พุทโธไปค่ะบางทีขึ้นรถเมยก์ก็พุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุโทโธ <rah? S 2> พุธโทโธไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่งนะแต่พุโทโธเพื่อจะรู้ทันจิต จับหลักตัวนี้ให้แม่นนะแล้วการภาวนาจะง่ายถ้าจิตเนี่ยนะพอเรามีสติรู้ทันนะมันจะสงบเองแต่ถ้าเราพุโทโธเพื่อจะบังคับจิตให้สงบเนี่ยจิตจะอึดอัดเพร้วเราอย่าไปบังคับให้จิตสงบเราพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธแล้วรู้ทันจิตจิตจะสงบเองนะแสดงว่าตอนนี้หนูมีบังคับใช่ไหมหนูมีโท ส, แสนะแทรกเบอร์เก้าสบหนึ่งกราบนรรมสการหลวงพ่อครับ ผมฟังซีดีแล้วก็ฟังธรรมะจากหลวงพ่อมาประมาณสองเดือนกว่าแล้วครับผมได้ทดลองอดูกายโดยเห็นทองพองอทองยุบ ค, ครับใช่ได้แล้วก็บางครั้งติดหลงไปคิดก็รู้ว่าหลงไปคิดจะปฏิบัติได้เฉพาะในช่วงเช้าๆครับพอสายๆเริ่มทำงานหน่อยก็จะลืมกายลืมจิตไปเลยครับยมทำงานต้องคิดไหม ทั้งคิดบ้างแรงบ้างครับใช้ทั้งความคิดใช้ทั้งออกแรงครับเถ้าเราทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยเราดูกายดูใจไม่ได้ขนานั้นเราต้องไปรู้เรื่องที่คิดไม่สามารถรู้กายรู้ใจนะแต่ถ้าทํางานออกแรงเนี่ยเราเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆได้ไดนะครับแล้วก็จะมาดูกายดูจิตได้สักระยะหนึ่งตอนเย็ น, นครับตอนนะกลับมาแล้วก็มารู้สึกได้แล้วก็ผมจะสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำครับดีนะดี หลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะนั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครับโดยใช้วิธีบริกรรมแบบร่างกายพองท้องพองท้องยุบได้แล้วแล้วก็ถ้าจิตหลงไปคิดก็ให้รู้ว่าหลงไปแบบที่หลวงพ่อแนะนําครับใช่ได้นะทีนี้ผมมีคําถามครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเมื่อเมื่อคืนนี่เองครับขณะที่ทําสมาธิอยู่นะครับจิตก็เริ่มลงไปสงบนิ่งแต่แล้วเกิดอาการสะดุ้งหรือกระตกุกนะครับ สาเหตุของสะดุ้งหรือกระตุกเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรไม่เป็นไร น, นะมันสะดุง้งมันกระตุกก็แค่รู้เอานะบางที่จิตมันสติอ่อนไปนพอมันรู้สึกตัวที่สะดุ้งสติมันอ่อนนะครับถ้าคําถามที่สองครับอยากจะขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยแนะนําแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไปครับที่โยมทําอยู่ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเราฝึกสม่ําเสมอเนี่ยต่อไปการเจริญสติในชีวิตประจำวันมันจะทำได้ดีขึ้นนะ ยกคอยรู้ทันใจที่คิดนะยกเป็นคนยึดในความคิดความเห็นแรงไหมหรือว่าแบบไหน อ, อส่วนใหญ่แล้วจะมีช่วงหลังนี่ผมจะเห็นอารมณ์โกรธค่อนข้างถี่ครับแล้วก็เคืองนานดูครับบางทีข้าววันครับก็จะหายโกรธเนี่ยมันโกรธเพราะอะไรเป็นโกรธเพราะว่าอย่างเรามีความเห็นอย่างนี้คนอื่นเห็นอีกอย่างหนึ่งเนี้ยใช่ไหมเรายึดในความเห็นนะเพราะเรายึดในความเห็นของเรานะคนอื่นไม่ตรงของเราเราก็โกรธขึ้นมา ให้เรารู้ทันใจที่มันไปยึดในความคิดความเห็นของตัวเองบ่อยๆนะแล้วใจเราจะมีความสุขจะสงบขึ้นจะภาวนา ง, ง่ายขึ้นนะพยมพื้นฐานมันก็โทสนะนั่นแหละครับผมาข้างหน้ายกมือเอาเบิกก้าเชิญมัสการครับว่าไงช่วงนี้มันจะเห็นพ่อมด หลายมากอะครับคนข้างๆโดนหมดนะครับมันจะจับผิดคนข้างๆครับรู้ทันนะแล้วมันล้นออกไปทางกายทางวาจาไหมไม่ล้นครับเออดีมีสินมันวนอยู่ในใจะดูที่ใจนะเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรขึ้นมารู้ทันไปแล้วก็ผมทําสมาธิมากไปหรือเปล่าครับสมาธิมันไม่เสียหายนะถ้ามีสติประกอบครับถ้าทําสมาธิแล้วขาดสติอันนั้นถึงจะไม่ดีสมาธิก็ทําได้แต่ถ้าทำแล้วไปกดข่มใจให้นิ่งอะไรเงี้ยนิสัยจะยิ่งร้าย ไม่ขมนะปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้เรื่อยๆครับช่วงนี้ดีขึ้นมันไม่เก็บกดบมันถึงร้ายครับนะ เ, เบอร์11นมันส ก, การหลวงพ่อครับครั้งนี้มาครั้งที่สองครับเมื่อมาครั้งแรกก็พอดูได้บ้างแต่พอเมื่อตอนกลางเดือนวันที่ 16-17 อะไรประมาณนี้ครับไปปฏิบัติธรรมมาแล้วก็ได้มีได้มีสมาธิมีจิตที่นิ่งครับแล้วก็ฟัง ฟังหูฟังซ d ดีหลวงพ่อไปด้วยครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนอนหลับไปแล้วช่วงตื่นมามีจิ้งจกร้องอะครับก็มันเหมือนมีเห็นแสงแวบไปที่จิ้งจกอ๋อนะจิตมันเคลื่อนไปครับมีเห็นอยู่สองครั้งแล้วครั้งต่อมาก็เห็นไม่เห็นก็ช่างก็กลายเป็นรู้ไหมถ้าตายตอนนั้นจะไปเกิดเป็นอะไรไม่ทราบครับ เราก็ดูเดรื่อยๆนะใจมันขยับขยืขย่นขึ้นไปรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยๆนะดีครับก็มีคําถามหลวงพ่อที่เหมือนกับคําถามนี้ตามหามาทั้งชีวิตเลยครับขอถามเจริตในการรู้การดูการปฏิบัติของผมครับวิธีดูจริญตัวเองนะไม่ต้องถามหลวงพ่อทีละคนอะเราวัดตัวเองรู้หลักไวแล้ววัดตัวเองนะเรามีนิสัยยังไงจริตในการทําวิปัสสนานะมีสองจริญเท่านั้นเองนะ แต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับจริตของมิปัสสนาเรารู้แต่ราคะจริตทโทสะจริตโมหจริตไอ้พวกนี้จริตสําหรับทําสมถะจริตสําหรับทํำมิปัสสนามีสองอันเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามทิฏฐิจริตเนี่ยพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเป็นพวกไหนมากกว่ากันน่าจะเจ้าความคิดหรือเปล่าครับน่ยังไม่รู้ตัวเองหร ถ้าหากเราเป็นพวกตัณหาจริต ร, รักสุขรักสบายอะไรเงี้ยดูกายนะดูกายเป็นหลักไว้เบื้องต้นดูกายแต่เปลต่อไปก็ดูได้ทั้งกายทั้งจิตถ้าเราเป็นคนช่างคิดเนี่ยใจเราคิดทั้งวันเพราะคิดเรื่องนี้เป็นสุขคิดเรื่องนี้เป็นทุกข์คิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงอะไรเงี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในใจบ่อยเราก็ดูจิตเอาให้คนช่างคิดนะให้ดูจิตเอาดูง่ายมันจะดูเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันอย่างนี้หลงไปคิดแล้วรู้สึกไหม ไม่ได้ดูจิตแต่คิดรู้รสึกไหมคิดตามหลวงพ่อเออคิดตามไปดูจิตไปแต่กายต้องรู้ด้วยนะรจริตไม่ได้จริตเดียเด่ยวๆหรอกผมต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มไหมครับกระดุกดิกแล้วรู้สึกตัวนะเอาตัวนี้ก่อนด้วยซ้ําไปเอากายก่อนด้วยซ้ํำไปนะให้ดูกายก่อนน ะ, ะใช่เพราะว่าอะไรสมาธิไม่พอฝึกรู้สึกกายรู้สึกกายบ่อยๆนะจิตจะได้มีแรงพอนะจิตมีกําลังมากพอแนละ้วมันค่อยไปเห็นจิตได้ ถ้าจิตไม่มีแรงพอตอนนี้จะไปดูจิตนั้นเบาๆไปหมดดูไม่ออกครับห <52. S 2> สบนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อโยมอยู่ไกลามากค่ะแต่โยมเพิ่งมาครั้งที่สองเป็นปีที่สองค่ะพระอาจารย์เพิ่งตอบเมื่อกี้แต่โยมจะมาถามจริตที่ถูกกับโยมที่จะปฏิบ<ะ>ัต<ะ>ินะคะเพราะโยมมีเท่าๆกันค่ะโยมมีทั้ง ม, มันทุกคนนะมันจะผสมมันไม่จริตเพียวๆตามทฤษฎีหรอกแต่ละคนผสมทั้งนั้นนะนะเราก็ดูเอาว่าใจเร า, เ า, าโน้มไปทางไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นไหมนะหรือมันรักกายรักกายหวงกายมากไหมรักกายน้อยกว่าค่ะหวงกายน้อยกว่าอืมแค่นั้นก็ดูจิตไปนะแต่ของโยมต้องดูกายด้วยนะกายเป็นของที่ทิ้งไม่ได้ เพราะอะไรเราะถ้าเราจะดูจิตรวดไปเลยเนี่ยแรงเราบางทีไม่พอนะอายุเท่าไหร่แล้วหกค่ะเท่าไหร่นะ68สิต้องเอากายช่วยแล้วนะ ค, คนหลวงพ่อคิดว่าสักห้าสิบกลับก็คือกลับก็ไป68เพราะโยมทิ้งกายแล้วนะคือคือคนที่อายุสักห0สิขึ้นเนี่ยนะบางทีนั่งเฉยๆมันก็เบลอๆได้นะ มันจะสุ่มๆง่าย <c oughs> แล้วเราเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวแล้ว ร, รู้สึกเาอาร่างกายมาช่วยนิดหนึ่ง <c oughs> เอาความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยมากระตุ้นความรู้สึกตัวให้เกิดบ่อยๆ <c oughs> ถ้าดูจิตรวดไปเลยบางทีแรงไม่พอจะเบื่อเบือง่ายนั่นแหะมันจะเผลือยาวเพราะงั้นตอนนี้นะไม่ว่าโยมจะจริตอะไรก็ตามตอนนี้ต้องคอยดูกายให้มากไว้นะดูกายสัก 70% นะ <c oughs> แล้วที่เหลือนะั่นมันจะไปดูจิตของมันเองยมรู้สึกกายบ่อยๆแต่อย่าเพ่งกายนะแค่รู้สึกเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายพูดเลยเนะี่ยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันจะทําให้ไม่เผลอยาวะไม่งั้นะมันจริมันเคลิมไปแล้วนั่งแล้วมันเคลิ้มเป็นชั่วโมงเลยก็ได้นะถ้าอายุห้ขึ้นนึกว่าห้สิบนะนึกว่าพอๆกับเรา นึกอ่อนกว่าเรานิดหน่อยโยมจึงบอกว่าโยมปล่อยกายแล้วเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะไมคิดว่าจะได้กลับมากราบป้าจานอีกนี่ยดูกายนะดูกายเห็นกายมันทํางานไปกายมันยืนเดินนั่งนอนกายมันเจ็บกายมันป่วยใจเราอยู่ต่างหากใจเราสบายเป็นคนดูเห็นกายมันทํางานใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้แหละเราดีนะเบอร์ห้าคนภาวนาหน้าผ่องใสไม่ค่อยแก่หรอกกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ มาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อสิบห้าเดือนฮะหนึ่งปีกับสามเดือนวัดก็อยู่แล้วแล้วทุกวันนี้ก็ปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ตามดูในชีวิตประจําวันทีนี้อายุมากแล้วฮะหลวงพ่อก็เลยไม่ทราบว่าที่ทํามามีตรงไหนที่ย่อหย่อนแล้วต้องปรับที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วนะยิ่แต่ว่าเคลื่อนไหวด้วยนะช่วยมานิดนึง เคลื่อนไหวใช้วิธีเดินจงกรมกับ เ, เคลื่อนไ<ร>หวไแบบหลวงพ่อเทียนได้ไดีกว่าอยู่นิ่งๆ น, นะข่าวทีนี้หลวงพ่อฮะมีความรู้สึกว่าทําไมเราแรงเยอะอะฮะแรงเยอะไม่เปไ็นไรนะจิตเรามีพลังเมื่อจิตมันมีพลังนะดูกายทํางานโดยจิตทํางานไปนะตอนนี้ขยันงานบ้านทําเองเกือบหมดเลยฮะหลวงพ่อ <laughs> รู้สึกแบบยิ่งทํางานนะยิ่งรู้สึกตัวดีแม่บ้านจะอยู่ไม่ได้สิฮะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่ต้องจำทำต่อไปนะฮะหลวงพ่อทำเองร้อยเจ็ดสิบอยู่ข้างหลังเนี่ยหลวงพ่อเสียดายมากเลยคนรุ่นเรานะชอบใช้เครื่องซักผ้าการซักผ้าด้วยมือเนี่ยภาวนาดีที่สุดเลยมันขยับตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวขยับผิดจังหวะน้ำก็สาดมาถูกตัวอะไรเงี้ยโมโหอีกแล้วเนี่ยซักไปซักไปใจลอยอะไรเงี้ย คอยดูของเราไม่เคลื่อนไหวไ ป, ไปรู้สึกไปดีที่สุดเลยเดี๋ยวนี้ไอ้อางก็จับใส่เครื่องซักผ้านะะเวลาที่เหลือเอาไปทิ้งปเปล่าๆเลยใจลอยส่วนมากไปนั่งดูทีวีอะไรเงนั้นในวัสการหองพ่อค่ะรายงานของพ่อผลการปฏิบัติค่ะก็คือหนูสํานึกแล้วค่ะว่าที่ผ่านมาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคิดผิดไปอย่างเช่นว่าเราไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการสวดมนต์หรือว่าไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการทําบุญอื จำนึกแล้วค่ะหลวงพ่อว่าที่คิดผิดที่จริงกุศลทั้งหลายต้องทำให้ถึงพร้อมนะบารมี10ประการเนี่ยต้องสะสมเพราะเวลาที่เราจะข้ามภพข้ามชาติจริงๆนะบารมีตัวใดขาดเนี่ยข้ามไม่ได้ละบารมีทุกตัวเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส ต, ตัวเองทําให้เห็นแก่ตัวน้อยลงน้อยลงนะมันจะเป็นกําลังให้เราข้ามภพข้า ม, ามชาติต้องทําทั้งนั้นนะแล้วก็ในตอนตอนที่อยู่ที่นู่นนะคะหนูก็เดินจงกรมอะคะ่ะแล้วก็พอดูจิตเนี่ย ปั๊บหนึ่งก็รู้ว่าเห็นว่าจิตมันพลิกกลับไปดูว่ากายนี่มันมีว่าความเจ็บความปวดอะแต่ว่าหลังจากนั้นแค่หนเดียวอะค่ะก็ไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นก็อย่าอยากเห็นค่ะแล้วทีนี้เมื่อเช้านี่เองค่ะหนูก็คิดทําไมมันถึงไม่เห็นอีหน้าอะไรมันก็เกิดความไม่พอใจแต่จิตมันก็คิดว่ามันก็เห็นว่าความไม่พอใจมันคือสิ่งที่ผ่านไปแค่นั้นเองใช่ก็มาแล้วมันก็ผ่านไปนั่นแหละที่เราฝึกเข้าเพื่ออย่างนี้แหละ ใ, ให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมามแล้วก็<ค>่า<ป>านมาค่ะดูเพื่ออย่างนี้เองค่ะหนูก็เลยแล้วมีอี ก, อกสุดท้ายค่ะหนูก็ขอให้หลวงพ่อรักษาสุขภาพด้วยนะคะหลวงพ่อจะรักษาสุขภาพวิธีรักษาที่ดีที่สุดนะคือต้องปิดวัดนานๆแค่นน้องสุขภาพเลยค่ะโอขับใจขอบใจร้อยเจออยู่ข้างหลัง สอนกรรมฐ า, านานั้นน้ยหน่อ ย, อยวั น, ว, นวันใช้แรงเยอะอะช่วงนี้ยังดีนะมันไม่ชืน้นช่วงชืนช้นๆหลวงพ่อหายใจไม่ทันเลยเวละเทสเทนอาจจะช็อกออกกลาวธรรมัตการหลวงพ่อจ้ะค่ะแล้วมันจะมีปัญหาอะไรภาวนาวมาครบหนึ่งปีค่ะเอาอะไรมา<น>ค่ะคือรู้สึกสบายขึ้นค่ะหลวงพ่อ<น>จิตดินน้อยลงอะค่ ะ, <น>คะแล้วเวลาฟังธรรมะจากหลวงพ่อเหมือนจิตมันเป็นธรรมาชาติแล้วอยากแบบ มันเปิดกว้างเปิดรับธรรมะค่ะอลวงพร่อเขามีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนที่หนูเห็นเหมือนจิตตอนจิตมันตั้งมั่นอ่ะมันจะกลวงๆหรือเหมือนเหมือนกายอยวังหายเนีคะใช่นั่นแหละมันใช่จริงๆจ้าใช่สิเวลาสติอัตโนมัติจิตตั้งมั่นอัตโนมัตินีมันจะเห็นขันเนี่ยเหมือนภาพดวงตากลวงๆบางทีก็เห็นกลวงๆเห็นเหมือนภาพดวงตาเห็นเหมือนความฝันเห็นเหมือนพยับแดดอะไรเงี้ยไม่มีตัวมีตนอะไรชัดๆครับเจ้าค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะ คือเมื่อต้นเดือนที่แล้วค่ะคือหนูก็ว่าหนูเจริญสติอยู่ตลอดอะค่ะหนูทําตั้งแต่ตื่นจนหลับอะค่ะหลวงพ่อแต่แล้วล้างรถอยู่อะค่ะเปิดฝาเติมน้ําในรถหน้ํามอแล้วเริืมปิดเฮ้เจ้าค่ะวิ่งมาจนแบบสามสิบกิโลแล้วรถแห้งพังค่ะหลวงพ่อก็ย้อนมาดูจิตตัวเองมันเหมือนไม่ใช่รถเราเสียมันจิตนิ่งมาเป็นกลางค่ะหลวงพ่ออันนั้นมันคือคือเวลาเราทํางานทางโลกนะ เราต้องใส่ความใส่ใจเข้าไปนะในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนล้างรถแล้วต้อใส่เติมน้ำแล้วต้องปิดฝาแล้วใส่ความตั้งใจลงไปอันนั้นทางโลก <S <S ในทางธรรมนี่เราคอยรู้สึกแต่บางทีรู้สึกแล้วเบาเกินไปนะก็เลื่อนลอยไปอันนี้ก็ไม่พอก็ต้องเพิ่มกําลังของสติตั้งใจเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งหลวงพ่อมีคําชี้แนะอะไรไหมคะที่ฝึกอยู่ใช่ได้นะ แต่ว่าใจเนี่ยมันเริ่มเห็นโลกนี้ว่างเปล่าโลกไร้สาระมันเริ่มเบื่อเบื่อแล้วมันเลยไม่สนใจนะไหนไปนั่งเก็บสตังค์แล้วก็ลืมอเงี้ยกลายเป็นพอรถเขาผ่านแล้วก็หยิบสตังค์ให้อะไรเงี้ยนะไม่ได้นะพยายามรู้สึกแต่ถ้าทำงานทางโลกกพยายามคอนเซนเทร e เพิ่มขึ้นนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสมถะเปลี่ยนจาก นั่งสมาธิบางทีหลับเนี้ยเปลี่ยนเป็นนั่งถักหมวกดูอะค่ะเป็นนิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยับกระดุกกระดิกนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจิตนั่นมันเบื่อที่หลวงพ่อเคยพูดเลยเพ่อเห็นตามความเป็นจริงจึเบื่อน่ายพ่อเบื่อหนายจึงคลายกำหนันรู้สึกไหมโลกนี่ห่างออกไปใช่ค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ความเบื่อนี่ยังครอบงําจิตอยู่พราะความเบื่อครอบงําจิตมันทําให้ไม่สนใจความสนใจความใส่ใจในสิ่งที่กําลังทําอยู่มันน้อยไป ้าเพิ่มความจงใจเพิ่มความตั้งใจเวลาทำสิ่งต่างๆนะ ใ, ในทางจิตใจเหมือนันไม่ปล่อยให้มันลอยๆเบาๆไปนะเบื่อแล้วก็ทำลอยปอยไปไงี้ไม่ดีถ้ายังไงดูจิตแล้วมันลอยๆไปนะก็มาดูกายไว้ะนะร96าภาวนาได้ดีนะหนึ่งปีภาวนามาถึงตรงนี้ขอบพระคุณจ้ะค่ะนมัสการค่ะส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีอะค่ะ คราที่แล้วมาขอการบ้านหลวงพ่อไว้หลวงพ่อให้ไปดูจิตอืแล้วก็พอไปปฏิบัติมันก็มันไม่เคยสงบเลยค่ะไม่ได้ฝึกให้สงบหนูหนูใช้เดินแล้วก็เดินเห็นเท้าเคลื่อนไหวเห็นตัวเคลื่อนไหวค่ะแล้วใจก็ลอยแล้วก็สลับไปสลับมาแต่ว่ารู้ในชีวิตประจําวันเนี่ยสติไม่ค่อยเกิดชอบไปเกิดตอนตอนนอนนะคะตอนนอนมันก็ตื่นกลางวันเราสนใจกับโลกมั้งมันต้องจดจ่องานจดจ่ออะไรองี้ก็ไม่เกิดหรอก นะแต่เราต้องมีช่วงเล็กๆนะแต่ละชั่วโมงอะเบรกตัวเองนิดหน่อยไปห้องน้ําบ้างไปอะไรบ้างเคลื่อนไหวบ้างแล้วมารู้สึกร่างกายไวปนะถ้าทิ้งไปตลอดวันแล้วเย็นๆหนึ่งไปรู้เ่าทีเดียวนี้มันนานไปนะแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันชอบอไปส่งการบ้านหลวงพ่อค่ะไม่เป็น<ต>ไรแล้วมันเคยมีสภาวะที่ตอนที่หลับไปแล้วค่ะมันก็รู้สึกร่างกายชัด พลิกซ้ายพลิกขวาใชแล้วก็ไปเห็นว่าจิตเนี่ยขึ้นมันมีความคิดขึ้นมาแล้วก็หายไปแล้วก็เรื่องใหม่ก็ขึ้นขึ้นอย่างรวดเร็วอันนั้นคือจิตเขาไปรู้จิตคือรู้จิตชัดหรือว่าเป็นวิปัสสนานะคะ่ะอา้าวมันถ้ามันเห็นเกิดแล้วดับไปมันก็เป็นวิปัสสนานะเก้าสิบหกนั่งเก้าอี้นี่นี่ก็สาวอีกคนหนึ่งอะกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ครั้งสุดท้ายที่ส่งการบ้านหลวงพ่อบอกว่าอารมณ์มาครอบงามจิตอยู่แต่ช่วงนี้คิดว่าคงหลุดไปบ้างแล้วใช่เพราะว่ามีจิตที่สดชื่นแ ล, แล้วก็ความกังวลก็ไม่ค่อยมออีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมอนัดว่ า, วาจะต้องผ่าตัดนะเพราะว่าภาพมันออกมาชาัดจากเอ็กซาเรย์เราก็ทุกมากเลยเอถ้าเกิดผ่าแล้วเราเดินไม่ได้เราจะทํำยังไงเรวก็นั่งสิ คือนึกสภาพอยู่นานแล้วจิตมันก็ซึมตอนหลังมาคิดว่าเออยังไม่ถึงเวลาช่างมันอนาคตแล้วก็เลยทิ้งไปเลยฮะตอนนี้ก็เลยไม่ซึมแล้วใช่อย่าไปซึมนะร่างกายป่วยอย่าให้จิตป่วยนะควรละส่วนกันบางครั้งก็จะเห็นว่าอุ้ยนี่จิตตัวรู้มาเห็นกำลังเผลอไปแล้วนะกำลังเกิดโทสะนะก็พอจะรู้แต่มันก็ เกิดแล้วมันไม่หายนะคะรู้แต่มันไม่หายเห็นว่าเออโทสะมันผุดขึ้นมาอืมันก็ยังไม่หายอโทสะมีเหตุโทสะก็เกิดนะแต่ถ้าเรามีสตินะพอแค่รู้มันก็จะหายไเองเป็นกลางคือมันมีผัสสะต่อไงคะใช่ค่ะมันก็เลยคิดต่อไปอีกมันคิดต่อมันก็เลยไม่หายพอจะรู้บ้างแล้วค่ะตรงนี้ที่จริงมันเกิดแล้วมันดับแต่เราคิดไงมันก็เกิดใหม่ค่ะทีนี้ว่าบางครั้งรู้ว่ากายเนี่ย ไม่ใช่ของเราแต่มันยังไม่เบื่อเลยหลวงพ่อยังยังยังไม่เบื่อหรอกค่ะทั้งๆที่บางทีมันมีความทุกข์ความทุกข์เออไม่สบายเดี๋ยววันสังเกตไหมใจเราเพลินใจเราคุยธรรมะแล้วมีความสุขแล้วเริ่มเพลินเพลินเจ้าค่ะคือชอบจะหลงไปกับการคุยเอะดูทีวีก็หลงเจ้าค่ะบางทีนานๆอุ้ยแอบดูทีวีหน่อยข่าวไปถึงไหนแล้วลูกชายมาถึงแม่หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ดู ไปไปดูจิตต่อเนาะเจ้าค่ะที่ฝึกอยู่ขอพระคุณเจ้าค่ะแล้วตอนนี้คือจะว่าจิตรู้บางทีก็ยังไม่รู้ยังเผลอนานะคะมันต้องมีเครื่องอยู่ไงเผลอนานเนี่ยนะจะอยู่คับลมหายใจก็ได้นะอยู่กับร่างกายที่ขยับจภาวนาว่าจะโทรเจ้าค่ะอเอาขอพระคุณเจ้าค่ะร4 1ยสี่สบหนึ่งนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ การตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อธันวาปีที่แล้วอะค่ะตอนนั้นมาอยู่วัดก็หลวงพ่อเขาบอกว่าเพ่งแต่ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเพ่งแต่วันนี้ก็ผ่านมาก็เริ่มรู้ว่าเพ่งเป็นยังไงแล้วก็มีบางช่วงที่ จ, จิตมันก็จะแบบซึมๆเหมือนมันนิ่งๆอะค่ะแต่ตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งปีก็รู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันลดน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่เป็นช่วงๆดีะนะจิตใจเราก็พัฒนาขึ้นมาเยอะละ ดูออกไหมไม่เหมือนเดิมรู้ว่าไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่จะเอาอะไรไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรนะภาวนาเพื่อมันไม่เอาใช่ไหมมันก็ค่อยคลายออกจากโลกรู้สึกไหมว่ายึดอะไรต่ออะไรก็ลดลงลดลงนะความสุขมันก็มากขึ้นเพราะว่าทุกมันน้อยลงเบอร์ร้อยห้าสิบอยากให้หลวงพ่อแนะนำนิดนึงว่า ของขอบคุณตอนเนี้นะมันจะต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่งมาช่วยแล้วนะจิตเดินถึงจะมีกําลังแม้มันจะเบาไปเดินจงกรมก็ได้ใช่ไมได้ได้นะ<า>สมมติ<า>ว่าเดินไปจนเมื่อย แ, แล้วเราก็นั่งนั่งเราก็นั่งขยับตัวไปสมัยก่อนหลวงพ่อใช้มีพัดอยู่อันนึงนะพัดพัดไปเรื่อยนั่งตรงไหนก็ต้องมีพัดอันหนึ่งเนี่ยขยับไปเรื่อยเราก็รู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกทั้งตัวนะไม่ใช่รู้สึกแต่ข้อมือเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึก พอพัดไปอากาศร้อนๆแล้วพัดแล้วมันจะเย็นวูบหมนะใจมันจะไหวมีความสุขเป็นวูบๆูแล้วก็รู้นี่ยพอถึงหน้าหนาวนะเห็นพัดใจสยองแล้วนะพัดต่อไปนะก็เห็นใจเป็นวูบๆูเหมือนกันนะแต่วูบอีกแบบหนึ่งนะก็ค่อยรู้สึกเอาเ น, ะนะีงั้นเคลื่อนไหวไหมดีกว่าอยู่นิ่งร้อยห้าสิสนมศกาหลวงพ่อค่ะว่าไปเอ่อ เหมือนแต่ก่อนตอนที่เวลาดูสภาวะเราก็จะตามรู้ไปค่ะแต่เหมือนช่วงหลังๆคือมันจะความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไม่ได้ตามรู้สภาวะเหมือนก่อนแล้วก็เลยเข้าใจว่าเมื่อก่อนจะจงใจมากไปที่จะดูสภาวะหรือเปล่าคะหรื อ, อยังไงถ้าจงใจนะั้นมันจะแน่นๆตอนนี้ไม่ได้จงใจละนะแต่ว่ามันเอกไปที่เบาไปเนะเราต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งนะไม่งั้นใจมันจะเบาๆลอยๆไปพยายาม มีเครื่องอยู่สัก น, นหนึ่งพุทโธไว้ก็ได้นะพุทโธแล้วก็รู้ทันใจพุทโธแล้วก็รู้ทันใจอะไรเ ง, งี้ยแต่ว่าเคยลองบริกรรมแล้วมันเรไม่ชอบใช่ค่ะเขาไม่ชอบเอาอย่างอื่นดูร่างกายเคลื่อน ไ, ไหวไว้ก็ได้นะอะไรก็ได้นะสักอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ <S <S เครื่องอยู่มีประโยชน์ยังไงเครื่องอยู่เนี่ยถึงแม้อันนี้เป็นเครื่องอยู่นะจิตเรามาอยู่กับนี้เราก็รู้ <est> <S <S จิตหนีไปเราก็รู้มันจะสังเกตจิตได้ง่ายถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่นะจิตจะล่อนไปล่อนมานั่ยดูยาก สังเกตยากอย่างตอนนี้จิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมวิ่งมาเกิดหลวงพ่อแล้วก็วิ่งสลับไปคิดดูออกไหมให้รู้ทันนะให้ยรู้ทันไปเลยแล้วก็จะมีช่วงหลังๆคือฝึกมาได้ประมาณเกือบปีแล้วค่ะช่วงช่วงเดือน2เดือนหลังก็จะเห็นเหมือนกับสัญญากับสังขารมันทํางานร่วมกันคือเวลาที่เห็นรูปตลาลักษณ์เห็นรูปเฉยๆก็ก็ยังไม่คิดอะไรแล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เว้นไปแล้วก็ ระลึกได้ขึ้นมาแล้วก็ปรุงขึ้นมาว่าเราชอบไม่ชอบใช่ไหมเป็นสเต็ปใช่ไหมอันแรกไปเห็นสภาวะก่อนที่สองสัญญาเข้าไปตีความเข้าไปหมายว่าคืออะไรคืออะไรสัญญาทํางานแล้สังขารก็ปรุงต่อนะแต่ว่าเวลาที่เห็นคือเรารู้สึกว่ามันเป็นกลไกการทํางานที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเป็นกลไกเป็นกลไกการทํางานมันไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรามันไม่ได้ไม่เป็นเห็นกลไกไปเลยต่อไปมันเห็นเลยมัน ทั้งหมดนี้เป็นกลไกของธรรมชาตินะทั้งกายทั้งใจทํางานของมันอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่เราหรอกเราบังคับไม่ได้จริงก็แปลว่าเราไม่ได้คิดไปแต่จริง ม, มันคือกลไก ท, ที่ถูกต้องเลยที่เห็นนะนะออพยายามเคลื่อนไหวนะพยาเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกรู้สึกคือใจนี้มันมันโปร่งโล่งเบามากไปมันสบายไปสบายจนขี้เกียจที่จะรู้กายรู้ใจนะตอนเนี้รู้สึกเปล่านนะะรู้สึกไหมมันสบาย เมื่อก่อนจะแน่นมากกว่านี้ค่ะเมื่อก่อนจะจงใจก็เลยพอรู้ว่าเพ่งจงใจก็จะก็จะก็จะไปแต่อตอนนี้มันเลยกลับข้าง <c oughs> มัมาสุดโต่งในข้างสบายนะเพราะฉะนั้นพอมันสุดโต่งข้างสบายเนี่ยค่อยมารู้ร่างกายไว้นะเดี๋ยวมันจะกลับมาที่จิตตรงนั้นเนดะี๋ยวอยู่คนสองคนเบอร์ร้อยหกก็รนะ้อยเก้าสิบหนึ่งสองคนแล้วหมดเวลา นกนี่เสียงดังดังที่นี่นกโพระดกเยี้เหตุการณหลว่อเจ้าค่ะอสั้นๆค่ะอยากให้จะอยากขอความเกลียณาหลวงพ่อนําดูสภาวะค่ะจิตเราตอนนี้เป็นไงอะ่ะตอนนี้ก็ประคับประคองไว้ถูกต้องนะใจลอยค่ะใจลอยไปก็รู้เริ่มไปจ้องใส่ลมแล้วรู้สึกไหมเจ้าค่ะให้รู้ทันว่าใจไหลไปอยู่กับลมนะ รู้สึกไปเรื่อยใจไปขยับขยื่นไปยังไงคอยรู้ไปเรื่อยนะหัดดูอย่างเนี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อทีนี้เนี่ยคือมีคําถามจะถามหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่าตัวหนูเนี่ยสังเกตตัวเองว่าเวลาไปที่โรงพยาบาลหรือว่าไปที่วดัดไปงานศพเห็นคนป่วยคนเจ็บคนตายเนี่ยรู้สึกว่าจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยหนูเป็นคนกลัวผีอะคะ่ะคือเหมือนกับว่าจิตมันที่ บ, บ้านไม่มีผีเหรอไม่ไมผีต้องอยู่ที่วัด <laughs> ค่ะคือเหมือนจิตชอบที่จะไปเห็นพวกอสุภะอะไรเหล่านี้ยค่ะแต่ว่าตัวเองไม่ชอบอะค่ะนั่นแหละที่ไปบ่อยๆมันไม่ชอบช่างมันน ะ, ะแต่ว่าจิตเราไปรู้แล้วจิตเจริญขึ้นหลวงพ่อนะใครมาชวนไปงานแต่งงานเลยเนี้ยนะเบื่อที่สุดเลยแต่เวลาไปงานศพเนี่ยนะชอบไปแต่ก่อนนี้นะเห็นศพแล้วร่าเริงไม่รู้เป็นพวกอะไรมาโศกิษฐ์พวกซาดิสอะไรหรือเปล่า ค่ะหลวงพ่อขอดนอกเรื่องนิดนึง่ะคะคือว่าหนูจะต้องสอบดีเฟนวิทยานิพนธ์แล้วอะคะ่ะยังไงหลวงพ่อช่วยอวยพรหด้วยนะคะให้หลวงพ่อไปสอบหลวงพ่อก็สอบตกไปขออาจารย์ไป <laughs> เพราะว่าหนูก็แอ บ, บบางทีคือเครียดแล้วก็ท้อแท้มากก็นั่งที่ห้องสมุดแล้วก็เหลือไปเห็นทีสิสของหลวงพ่อะคะ่ะก็เลยหยิบมาดูเสร็จแล้วก็เครียดกว่าเดิมเนะะี้ยค่ะ เพราว่าเล่มมันโตมากเลยสมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์เลยนะโอ้โหนั่งคํานวณกันนะหัวโตเลยค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อการนมัสการค่ะหลวงพ่อตอนแรกกบว่าจะยกมือแล้วส่งให้แฟนแต่แฟนเขาไม่รับอะค่ะพอรู้ว่าตัวเองต้องส่งใจมันเต้นแรงมากอะค่ะแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราบ้างยังเห็นค่ะคือตอนแรกที่ จริงๆแล้วแฟนเขาพยายามพามาวัดมานานแล้วนะคะเคยมาแต่ก็ไม่กระตือรือร้อนหรือไม่ตื่นแต่เพิ่งมาตื่นตอนสักประมาณเดือน5เพราะว่าทางบ้านเขาปฏิบัติธรรมกันหมดเลยลลรเรียนหกดีจังโหบ้านนี้วิเศษที่สุดเลยค่ะก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งก่อนได้ส่งการบ้านหลวงพ่อก็ขยันใหญ่อะค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าตอนที่โมโหแฟนแล้วอยู่ดีมันก็ดับดับแบบแบบ ไม่ได้ตั้งใจให้มันดับมันดับอเองนะคะนั่นแหละดีแต่เห็นแค่ครั้งเดียวค่ะหรวงพ่อถ้าจงใจให้ดับมันจะไม่ดับน ะ, ะถ้าอยากจะเห็นมันจะไม่เห็นเพราะวความอยากที่เกิดขึ้นนี่เป็นอกุศลละสติจะไม่เกิดหรอกค่ะฝึกไปได้ตามรู้ตามดูไปเชิญกลับบ้านขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อ